ช่างเฟอร์นิเจอร์หลอนเจอดีผีบ้านฝรั่งสัมผัสสยองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดที่บ้านหลังหนึ่งย่านบางนาเมื่อประมาณเจ็ดเดือนก่อนคุณมีน ทำอาชีพเกี่ยวกับการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวมีอยู่เคสหนึ่งที่ต้องไปติดตั้งให้กับบ้านฝรัง่งชุดติดตั้งจะมีทั้งหมดสามคนมีหัวหน้าคุณมีนและคนขับรถพวกเขาไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณ9โมงเช้าแต่ต้องทำการแลกบัตรที่ป้อมยามก่อนยามก็ได้ถามว่าบ้านเล็กที่อะไรครับ หัวหน้าก็บอกบ้านเล็กที่ไปแล้วยามก็แสดงอาการตกใจเล็กน้อยจากนั้นจึงถามอมกมาเบาๆว่าฮี่ห้อยพระอะไรหรอหัวหน้าและคุณมีนหันมามองหน้ากันด้วยความงงงงคิดในใจว่าทำไมยามต้องถามอะไรแบบนี้แล้วยามก็พูดแทรกขึ้นมาว่าตรงเข้าไปนะครับเดียวซ้าย พอถึงลูกกรอบให้ตรงเข้าไปอีกแล้วเลี้ยวขวาทุกคนจึงขับไปตามทางเรื่อยๆจนไปถึงบ้านของลูกค้าลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงฝรั่งมีสามชั้นหลังลงจากรถคุณมีนก็สังเกตเห็นความผิดปกติของหัวหน้าเพราะหัวหน้ายืนงยนหน้ามองขึ้นไปบนบ้านเหมือนกับว่า กำลังจ้องอะไรสักอย่างแต่เมื่อคุณมีนลองมองขึ้นไปดูก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแล้วหัวหน้าก็พูดขึ้นมาว่าปะรีบขนของเข้าไปข้างในแล้วทำงานให้เสร็จดีกว่าจะได้รีบๆกลั บ, บซึ่งตอนนั้นคุณมีนคิดว่าหัวหน้ามีการผิดปกติอย่างหนึ่งเพราะทุกครั้งเวลาออกไปทำงานข้างนอก หวหน้าจะไม่พูดอะไรทำนองนี้แล้วก็ช่วยกันขนของเข้าไปข้างในโซนด้านหน้าจะเป็นห้องรับแขกบันไดจะอยู่กลางบ้านส่วนโซนทางขวาจะเป็นห้องครัวเปิดโลง่งถัดจากห้องครัวจะเป็นห้องน้ำตกแต่งสีโทนทึบทั้งหมดทั้งทังที่ข้างนอกก็ใช้สีขาวปกติดูรวมๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นบ้านเก่า แต่ถูกบุรณะขึ้นมาใหม่มีกลิ่นอับเหมือนกลิ่นของทูปหอมลอยพุ้งกระจายทั่วบ้านทำให้รู้สึกขนลุกแปลกในขณะที่คุณมีนกำลังแก่อุปกรณ์ออกมาประกอบอยู่ๆก็รู้สึกเย็นที่สันหลังวาบรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ภายในบ้านก็มีกันอยู่แค่สามคน แความรู้สึกมันกลับฟ้องว่ามีคนอยู่ที่นี่มากกว่านั้นทุกคนช่วยกันทำงานไปได้สักพักในจังหวัดที่คุณมีนยกเอาประตูตู้สแตนเลสขึ้นมาประกอบก็เห็นเงาสะท้อนจากในประตูตู้สแตนเลสมันเป็นเงาดำๆค่อยๆเดินลงมาจากบันไดาทางด้านหลังคุณมีนตกใจรีบหันกลับไปดู แต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแค่บันไดว่างเปล่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆ แ, แต่คุณมีนก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากรีบทำงานให้เสร็จแล้วหางตามันก็เห็นเงาดำๆลักษณะเดิมยืนอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำทำให้คุณมีนสะดุ้งตกใจอีกครั้งรีบหันไปมองทันทีก็ปรากฏว่า เห็นเป็นรูปปั้นผู้หญิงฝรั่งแขนกุดยืนก้มหน้าอยู่มันตั้งอยู่ข้างๆประตูห้องน้ำคุณมีนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคงจะคิดฟุ้งซ่านเกินไปจึงเดินเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำแต่ในจังหวะที่เดินเข้าไปใกล้รูปปั้นหน้าห้องน้ำคุณมีนกลับรู้สึกเย็นวาบขนลุกไปทั้งตัวความกลัวในอะไรบางอย่าง มันผุดขึ้นในตัวเรื่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคุณมีนค่อยๆก้าวผ่านรูปปั้นนั้นเข้าไปในห้องน้ําโดยพยายามบังคับไม่ให้หางตามมองไปที่รูปปัน้นเพรารู้สึกไม่ดีทุกครั้งในเวลาที่มองหน้ามันหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จคุณมีนก็เดินออกมาจากห้องน้ําแต่ก็รู้สึกแปลกใจ พรอไม่พบหัวหน้ากับคนขับรถทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่ก็ยังนั่งทำงานกันอยู่ในบ้านคุณมีนจึงเดินไปที่ประตูหน้าบ้านก็เห็นว่าหัวหน้ายืนอยู่นอกประตูรัวบ้านแล้วมองเข้ามาในบ้านเหมือนกําลังจ้องอะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านส่วนคนขับหนีขึ้นไปนั่งอยู่ในรถด้วยความแปลกใจคุณมีนจึงพูดว่า เอาพี่ออกไปทำไมกันเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเองเขาไปจัดการให้เสร็จละกันพี่ขอดูดบุหรี่ก่อนคุณมีนจึงจำเป็นต้องเข้าไปนั่งทำงานต่อให้เสร็จจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคุณมีนได้นำแอลกอฮอลมาเช็ดสแตนเลตต่างๆเพื่อให้มันใสสะอาดในระหว่างที่กำลังนั่งเช็ดอยู่นั้นก็ปรากฏว่าคุณมีน เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังแล้วโน้มตัวเอาหัวลงมาอยู่ข้างๆคุณมีนซึ่งมันสะท้อนจากประตูตู้สแตนเลสลักษณะของเขาเป็นผู้ชายตัวอ้วนๆไม่มีผมไม่มีแขนลูกตาเห็นเป็นสีดำๆดแม้ว่าจะมองไม่เห็นลูกตาแต่คุณมีนรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลัง กำลังจ้องมองคุณมีนอยู่ในระยะเผาขนคุณมีนสะดุ้งสุดตัวหันหลังกลับไปในทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแค่บันไดวนที่ขึ้นไปชั้นบนเท่านั้นคุณมีนรู้สึกกลัวจนนั่งไม่ติดพื้นยิดในใจว่าหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าและคนขับรถ เหนียออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดคุณมีนไม่รอช้ารีบเก็บงานให้เร็วที่สุดแล้วรีบเก็บของออกไปนอกบ้านช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงทุกคนจึงขับรถออกไปจากบ้านจนไปถึงป้อมยามด้วยความสงสัยคุณมีนจึงถามกับยามว่าพี่ผมถามจริงๆเถอะ ที่พี่ถามว่าพวกผมห้อยพ้าะอะไรเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ายามก็ตอบกลับมาว่าคงจะเจอกันแล้วเสกคุณมีนขยันขยอให้พี่ยามเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเพราะอยากรู้มากแล้วยามก็เล่าว่าก่อนหน้านั้น่ะบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านของคนไทยมาก่อนสามีเจ้าของบ้านถูกขโมยขึ้นบ้าน แล้วขโมยก็เอาไม้ทุบหัวจนตายที่หน้าห้องน้ำนั่นแหละเวลาผ่านไปภรรยาของเขาก็ไปคบกับฝรัง่งแล้วทำการตกแต่งบ้านใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะขายเพราะฝรั่งบอกกับผู้เป็นภรรยาว่าอยู่ไม่ได้โดยให้เหตุผลว่ากลางดึกของทุกคืนจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นล่างพอเดินลงไปดูก็ปรากฏว่า เห็นรูปปั้นค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำตามเดิมเหมือนกับว่าเมื่อครู่มันเพิ่งจะเดินไปเดินมาภายในบ้านเวลาที่เขาเผลอหลับในช่วงตอนกลางวันจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาก็จะเห็นผู้ชายร่างทุมทมุมกำลังเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งจนเขาอยู่ไม่ได้ จากนั้นหัวหน้าก็มาเล่าให้คุณมีนฟังทีหลังว่าตอนที่ไปถึงบ้านนั้นช่วงแรกหัวหน้าได้มองกันไปบนชั้นสามซึ่งบนห้องชั้นสามจะมีหน้าต่างบานใหญ่พอมองเข้าไปก็เห็นว่ามีผู้ชายยืเนเอาเท้าเหยียบบนเพดานห้อยหัวลงมามองหน้าและตอนที่อยู่ในบ้านขณะที่หัวหน้ากำลังล้วงมือเข้าไปใต้สิงวางของ อยู่ๆก็มีคนมาจับมือแล้วดึงเข้าไปจนหัวหน้าตกใจรีบสะบัดมือออกแล้วเดินออกจากบ้านมาทันทีส่วนคนขับรถเล่าว่าตอนที่กำลังนั่งต่อสายยางสิงล้างจานอยู่นั้นหางตาก็เห็นเหมือนเป็นผู้ชายกำลังนั่งมองอยู่ตรงประตูหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็หายเข้าไปในห้องน้ำพอเดินตามไปดู ในห้องน้ำนั้นมันก็ไม่มีใครอยู่เลย ส, สัมผัสสยอง